คำสอนของพระผู้มีพระภาคเรียกว่าทากับวินัยนะวินัยนี่แปลว่ากําจัดนะคาสอนของพระองค์นั้นเพื่อกําจัดอะไรบ้างกาจัดความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจอันนะเนี้ยใจมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมใจมีกี่อย่างใจมีกี่ชาติโดยชาติมีสี่ชาตินะหนึ่ง กุศลชาติ2องกกุศลชาติ ส, ออตสวิบากชาติ4กิริยาชาติคำว่าชาติแปลว่ากลุ่มนะกลุ่มของความคิดกลุ่มของจิตวิญญาณเนี่ยมีอยู่4ี่กลุ่มด้วยกันคําว่ากุศลแปลว่าไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขมีวิบากที่น่าปรารถนามีวิบากที่น่าต้องการ อกุศลแปลว่าไม่ใช่กุศลตรงกันข้ามกับกุศลเพราะว่ามีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนวิบากวิบากนั้นเป็นผลของกุศลและอกุศลส่วนกิริยานั้นเป็นจิตที่ไม่ได้เป็นผลของกุศลอกุศล แล้วก็ไม่ใช่จิตชาติวิบากด้วยเป็นจิตสับแต่ว่าเกิดขึ้นเท่านั้นเองเกิดขึ้นเป็นอุปนิสัยไหมเป็นแต่ว่าโดยกรร ม, มปัจจัยไม่มีนะนานาคขาขนี่กักรร ม, มไม่มีแต่ว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยกับจิบจบจบจตต่อไปนี่เป็นแต่เป็นเฉพาะจิตในเป็นปัจจัยกับจิตในภพนี้นะถ้าเป็นของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าพระอรหันต์แต่ถ้าจิตเราท่านทั้งหลายก็มีอยู่ ทั้งสีชาตินั่นแหละแต่กิริยาชาติเนี่ยมีอยู่สองดวงนะมีไม่มากแต่เกิดบ่อยทุกๆความคิดจะต้องมีกิริยาจิตเนี่ยเกิดก่อนการเห็นแต่ละครั้งก่อนที่จะเห็นก็มีกิริยาจิตนี่เกิดก่อนกิริยาจิตนี่เป็นตัวมนสิการนะเรียกว่าชาวนะปฏิปาทะกะ มนัสิกามนัสิกาเอ่อไม่ใช่วิถีปฏิปาทกามนัสิการเป็นมนัสิกาเพื่อที่จะรับอารมณ์ในทวารทั้งห้านะเพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะได้ยินทีนี้ในความคิดทั้งหมดเหล่านั้นนะทั้งสี่ชาติกุศลอกุศลวิบากและกิริยา น, นั้นะสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมาก ก็คือเรื่องของทั้งสีชาตินั่นแหละกุศลควรเจริญอกุศลควรล ะ, ะในหัวข้อที่เราตั้งก็คือเรื่องของพรหมิหารพรหมิหารนั้นเน้นเจตสิกนะเน้นเจตสิกี่ดวงที่เป็นกุศลคือ 1. อโทสะเจตสิก 2. กรุณาเจตสิก 3. ม, มุธทิตาเจตสิก 4. ตัตตะมัชตตาเจตสิกซึ่งหมายถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกับกุศลเท่านั้นส่วนปฏิปกคธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายดําหรือธรรมะที่ตรงกันข้ามกับอโทสะได้แก่โทสะโทส า, านี้เป็นชื่อของความประทุษร้ายเป็นชื่อของความดุร้าย ตรงกันข้ามกับเมตตาหรืออาโทสะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้เรื่องของโทสะดีเท่ากับเราก็จะรู้จักเมตตาดีด้วยเพราะธรรมะพวกนี้นะเรียกว่าดำกับขาวถ้ารู้จักมืดดีก็จะต้องรู้จักสว่างด้วยถ้ารู้จักสว่างก็ต้องรู้จักมืดด้วยถ้ารู้จักโทสะดีจะต้องรู้จักเมตตาถ้ารู้จักเมตตาดีจะต้องรู้จักโทสั นะเพราะเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ธรรมคนที่จะเจริญพรหมิหารนั้นถ้าหากว่าไม่รู้จักโทษของโทสะจริงๆไม่สามารถที่จะเจริญเมตตาได้หรือถ้าไม่เห็นอานิสงส์ของเมตตาจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเจริญเมตตาได้ดังนในชั้นต้นเราต้องรู้จักก่อนว่าโทสะคืออะไรเมตตาคืออะไรหรืออโทสะนี่คืออะไร แล้วอาโทสะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับกุศลธรรมเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับกุศลที่จริงอาโทสะเกิดร่วมกับวิบากก็มีอยู่นะแต่อย่างนั้นไม่นับว่าเมตตาอะไรนะเมตา เ, เมตาที่เกิดร่วมกับกิริยาของพระริยาเจ้าเราก็ไม่ต้องพูดถึงรนะวังขจิตของเราก็มีอาโทสะแต่อาโทสะอย่างนั้นเนี่ยเป็น ขอโทษนะเป็นของบุญเก่ามางั้นเพราะเป็นจิตชาติวิบากจิตชาติวิบากพระองค์สอนให้ให้ทําไงให้กําหนดรู้แต่จิตชาติกุศลเนี่ยพระองค์สอนให้ให้เจริญให้พอกพูนเพราะนั้น อ, อัโทสะเจตสิกที่เรียกว่าเมตานั้นถ้าหากว่าเรารู้จักอนิสงค์ของเขาดีจริงๆเนี่ยเราจะสา ม, มารถที่จะเจริญพอกพูนได้ และถ้าเราเห็นโทษของโทสะมากๆเราก็จะรู้จักพุทธคุณเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระองค์เนี่ยกำจัดโทสะคือกิเลสได้หมดเกลี้ยงและคําสอนของพระองค์ทุกคําสอนเลยเป็นไปเพื่อกําจัดโทสะเป็นต้นนะพระสูตรทุกสูตรเป็นไปเพื่อกําจัดโทสะเป็นไปเพื่อกําจัดโลภะเพราะว่าคําสอนมีรสเดียวคือวิมุติรสเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตจากความ ถือมั่นด้วยอุปาทานต่างเพาฉะนั้นโทสะนั้นเป็นธรรมะที่ที่น่ารังเกียจมากพระอรหันเนี่ยท่านไม่มีโทสะอันนั้นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักโทสะจริงๆพร้อมทั้งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกเราก็จะศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อกำจัดโทสะเพระฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมทุกชนิดทั้งสมถะและวิปัสสนาการศึกษาคาสอนก็เพื่อกาจัด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 เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขนะอย่าด้วยอย่าได้กลัวต่อกุศลธรรมทุกชนิดเลยเพราะนั้นแหละเพราะว่ากุศลธรรมนั้นเป็นเหตุให้ได้รับความสุขด้วยตัวกุศล น, นี้มีความสุขด้วยและผลของกุศลก็เป็นเป็นเหตุให้ได้รับความสุขด้วย เพราะว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจโดยความพิสูุน์ทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษอย่างยิ่งนะญาณในที่นี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณ น, นะอย่างประเสริฐเนี่ยพระองค์นี้รู้ว่าวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนทาไว้แล้วสิ้นกาลนาน ก็คือพระองค์ก็กล่าวว่าการการทบุญนั้นเนี่ยมีผลมากมีอ น, นิสง์มากเนี่ยพระองค์เนี่ยประสบมาด้วยตัวเองเลยโดยสัพพัญยุตยา น, นั้นพระองค์ระลึกได้ว่าเรานั้นเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอดเจสังวัตตวิวัตตากับนะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้เจมหากับออน่าสนใจนะเจริญเมตตาอยู่เจปี น่าสนใจนะเจ็ดปีเองนะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกเรียกว่าเจ็ดสังวัตวิวัตกระก็คือเจ็ดมหากระนั่นแหละดูกอนพิสูน์ทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกับชีพหายนะกับชีพหายอยู่เนี่ยเราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระนะอยู่ชั้นอาภัสราก็คือชั้นที่มีรัศมีออกนอกตัวเปล่งปลั่งในพรหมเมื่อกับเจริญอยู่ เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูก่อนพิสูนทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรหมนั้นดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็เราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพสามสิบหกครั้งนะ หลังจากที่ไปเกิดเป็นพรมเนี่ยนะเจ็ดสังวะตะวิวัตะกับเนี่ยมาเกิดเป็นพระอินทรทาวสากะอีกสามสิบหกครั้งเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมะเป็นพระธรรมราชามีสมุดสาครที่สี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนเจ็ดประการหลายร้อยครั้งเนี่ยน่าสนใจนะเป็นพระเจ้าจากาักรพรรด พระเจ้าจักรพรรดนั้นมีแผ่นดินเนี่ยทะเลเป็นกำแพงว่างั้นเลยเป็นหลายร้อยครั้งจะกล่าวไปใหญ่ถึงความเป็นพระเจ้าประเทศสราชเล่านะแผ่นดินเล็กๆทั่วไปอย่างเมืองไทยเนี่ยนะว่าแผ่นดินเล็กๆว่างั้นปกครองในลักษณะนี้ไม่ต้องพูดถึงว่างั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นดําริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้คือตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะมีอนุภาพมากอย่างนี้ เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอแหละพระองค์ปารอบเอะกรรมอะไรที่ทําให้พระองค์มีบุญขนาดนี้ว่างั้นดูกอาพิสูจนทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมสามประการของเรานะคือ 1. ทานสองธรรมะธรรมะในที่นี้ก็คืออินทรีสังวรนั่นเอง อินทรียสังวรหรือการข่มกิเลสด้วยการสมาทานนะด้วยทานด้วยธรรมะและก็ด้วยสัญญมะสัญญมะก็คือการสัมรวมกายและวาจานะก็คือศีลนั่นเองอด้วยผลแห่งทานศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ากุลบดผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแล อันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกําไรคือพึงเจริญทานความประพฤตสงบเมตตาจิตบัณฑิตครั้นเจริญธรรมะสามประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขนะเพราะว่ากุศล น, นี้ขณะที่เจริญก็ก็มีความสุขนะถ้าคนที่สามารถที่จะเจริญกุศลได้เก่งเนี่ย มีเรื่องที่ไม่สบายใจปุ๊บเนี่ยนึกถึงกุศลภาคเดียวแค่นั้นเองสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย น, นะเขาบอกว่าถ้าไฟมันไม่แรงๆเลยนะถ้าน้ําถึงนะเหมือนกับไม่มีไม่มีไฟไหมเลยตรงนั้นนะที่มันร้อนๆเนี่ยถ้าความเย็นถึงนะเดี๋ยวหมดความร้อนเลยหาหาความร้อนไม่ได้คนที่สามารถเจริญกุศ ล, ลจิตได้เก่งๆก็เหมือนกันสามารถที่จะตัดไฟแต่ต้นลมได้การเจริญกุศลก็เป็นลักษณะนั้น นะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าจะแทรกได้ไม่นานเดี๋ยวก็สามารถที่จะฝึกกุศลเนี่ยมาตัดออกไปได้ดังนั้นผู้ที่สามารถเจริญกุศลจิตหรือกุศลประเภทภาวนานะทั้งที่เป็นสมถาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาแต่การศึกษาพระมิหารก็เน้นที่สมถาภาวนาสัพพัญนธภาวนาในพระพุทธศาสนานั้น อย่าลืมว่าเป็นภาวนาเพื่อวิปัสสนาภาวนาสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมะคู่กันเมื่อเป็นธรรมะคู่กันนั้นจะต้องเจริญควบคู่กันไปนะซึ่งไม่มีใครที่จะมานั่งปรารบเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องสัจจะได้ตลอดเวลาหรอกนะแต่ถ้าหากว่าเจริญสมถะควบคู่กันไปกับการสลับในการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ยาก นะถ้าฝึกได้บ่อยๆนะถ้าหากว่าเราเจริญเมตตาได้บ่อยๆนะมองเห็นสรสรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นมิตรเป็นเพื่อนอารมณ์ของเมตตาคืออะไรปิยมนาปะใช่สัตว์เป็นที่รักที่ที่เจริญใจเป็นอารมณ์ของเมตตาเสร็จแล้วจะต่อด้วยวิปัสสนาก็ไม่ยากใช่เห็นเออนี่สัตว์นะ สัตว์อันนี้เนี่ยที่บัญญัติว่าสัตว์พ่ออะไรเพราะอาศัยการประชุมพร้อมแห่งมหาภูตรูปใส่ใจโดยความเป็นมหาภูตรูปต่อไปก็เป็นวิปัสสนาแล้วใช่ไหมเมื่อมหาภูตรูปมาอุปาทายรูปที่เหลือจะมาด้วยสีสันที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือสีสันแห่งมหาภูตรูปนั่นเองนะสีที่ที่มีมหาภูตรูปเป็นเป็นรูปที่เป็นประธาน มหาพูตธรูปมีสมุดฐานเท่าไรมีสมุดฐานสีนะสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือมหาพูตธรูปที่ที่มีจิตเป็นสมุดฐานทาให้สีเกิดการยิ้มแย้มนั่นเองนะถ้าสีธรรมดาทั่วไปก็เป็นมหาพูตธรูปที่มีอุตโเป็นสมุฐานใช่สีหน้าไม่เหมือนกันเลยก็จากมหาพูตธรูปที่กรรมแตกต่างกันนะเพราะทุกคนเนี่ยหน้าไม่เหมือนกันท่คนเลยใช่มก็มหาพูทธรูปนั่นเอง ถ้าหากว่ามีสายตาที่หวังดีปรารถนาดีด้วยเมตตาจิตดีจริงๆแล้วเนี่ยใจมันจะเบาเมื่อใจเบาเนี่ยสายใจโดยความเป็นมหาภูตรูปไม่ยากเมื่อสายใจโดยความเป็นมหาภูตรูปปั๊บนะอุปาทายรูปจะมาแล้วสีของมหาภูตรูปเรียกว่าสีมหาภูตรูปเนี่ยนะมันทําเป็นเสียงได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยบิดแป้นคำพูดของอาตมานะก็คือมหาภูตรูปที่กระทบกันแล้วเป็นเสียงออกมานั่นแหละ ก็จะรู้เรื่องเสียงด้วยนะกลิ่นที่เราได้รับก็คือกลิ่นของหมหาพูทธรูปนั่นแหละนะรสที่เราชิมเรารู้ก็เป็นกลิ่นของ เ, ออเป็นรสของหมหาพูทธรูปยิ่งกระทบเลยนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเตึงไว้อันนี้หมหาพูทธรูปรับกระทบตรงๆเลยใช่ไหมแล้วหมหาพูตธรูปนี้เป็นที่ตั้งที่เรียกว่ายิ่งว่าชาว่าว่าคนว่าศัตรว่าสิ่งของก็คือหมหาพูธรูปหมหาพูธรูปเป็นขันไหมเป็น รูปประคันใช่ไหมถ้าคนไม่สบายใจจริงๆนะเจริญพวกนี้ค่อนข้างยากนะพอเจริญไปเจริญเอ๊ะทาไมเขาว่าเราได้อย่างกันโทรศัเข้ามาแล้วนะใช่ไหมเจริญไปเจริญมาเอ๊ะมหาภูตรูปเอ๊ะแต่มันน่ากโกรธนะ <c oughs> เอ๊ะทาไมเป็นอย่างนั้นทําไมเขาทาหน้ากับเราอย่างนั้นใช่ไหมเราสายิ้มให้พวกมายิ้มตอบเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเจริญเมตตาระดับหนึ่งเป็นกันให้จิตใจเนี่ยเบาสบาย เมื่อใจเราเบาสบายแล้วการปรารบคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยาก น, นะคนป่วยนะยกน้ําหนักอนะยกอะไรมันก็หนักไปหมดเลยนะของอามาเนี่ยถ้าไม่ป่วยเนี่ยโหพูดไม่นานเลยนะพอถ้าคอมันเจ็บปั๊บเนี่ยเอ๊สาคํานี่คิดพูดครบหรือเปล่านะสามคำเนี่ยนะเ อ, อ๊มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาคนที่อาคุศลมันเล่นงานเนี่ยนะโทรศัมันมันกำเริบในจิตเนี่ยก็คือป่วยอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าจิตเป็นแผลก็ว่ากงั้น จิตของคนที่ถูกโทสะกระทบกระทั่งบ่อยๆเรียกว่าคนมีจิตเป็นแผลเพราะฉะนั้นได้เรื่องราวเหตุการณ์อะไรนิดๆหน่อยๆกระทบกระทั่งเนยะมันก็จะกลัดหนองและมันก็มีกลิ่นออกมาด้วยกลิ่นเป็นไงกลิ่นก็ออกมาทางวาจาสิออกมาทางกายกรรมด้วยสีหน้าก็บูดบึง้งนั่งโอ้ยมันทุกข์เลยเกินชีวิตในโลกนี้ยังมีแต่ชันเนี่ยทุกคนเดียวเนาะก็คนมีโทสะโทสะพ่อองค์บอกว่าอักขีนะโทสะนี่เป็นไฟเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนั่งก็ไม่เป็นสุข ยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขชีวิตเนี่ยมันกลัดกลุ้มที่สุดเลยเดือดร้อนที่สุดดังั้นความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นก็มาจากโทสะปัญหาใหญ่โตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมาจากโทสะทั้งนั้นเลยนะเรื่องราวที่ที่ทำให้เสียหายใหญ่โตเนี่ยจากโทสะทั้งนั้นเพราะว่าโทสะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์แม้แต่อย่างเดียว น, นะนถ้าหากว่าคนมีโทสะเกิดขึ้นแล้วนะฆ่าสัตว์ก็ได้ถ้าโทสะมันเกิดขึ้นแล้วอัทินนาทานก็ได้ถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วประพฤติผิดในภรรยาผู้อื่นก็ได้โทสะเกิดขึ้นแล้วทำให้มุสาวาดก็ได้ส่อเสียด ก, ก็ได้พฤศวาจาใช้คาหยาบคายทารุณเผ็ดร้อนก็ได้นะ แล้วก็พูดเพ้อเจ้ออยู่นั่นก็ได้เพราะผู้สวาจะเพราะโทสะนี่แหละทำให้คนเนี่ยดื่มสุราและเมรัยฐานที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะโทสะเกิดขึ้นนั่นแหละทำให้พยาบาทมันเกิดขึ้นทำให้โกรธแล้วก็ผูกโกรธโกรธครั้งแรกเขาเรียกโกรธ ถ, ถ้าโกรธบ่อยๆเขาเรียกว่าผูกโกรธเหมือนไงมันก็จะโกรธทีนี้พอมันโกรธมากๆเข้านะมันทาให้เป็นมิจฉาทิฐิได้ มันเป็นพิจารณที่ฐีได้อย่างไรคือถ้าเราไปกโกรธคนมีศีลมีธรรมหรือไปกโกรธบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าถ้าโทสะมันเกิดขึ้นนะบอกมันบาปนะมันไม่เชื่อนะไม่บาปมัง้งนะโทสะมันเกิดมันบอกคงไม่บาปโทสะมันกระซิบอย่างนี้เรื่อยๆเข้าเออสงสัยมันไม่บาปจริงๆเลยแม่เขาก็ฆ่าได้เคยเห็นไหมคนฆ่าแม่คนฆ่าพ่อคนฆ่าพระอรหันต์ พระเทวทัตเนี่ยเพราะโทสะนะทําให้ทําพระโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อเพราะโทสะนั่นแหละทําให้พระเทวทัตทําสังฆเภศนั่นแหละเพราโทสะเนี่ยมันจะค่อยๆประทุขึ้นถ้าคนที่เคยศึกษาเรื่องโทสะมาเนี่ยนะโทสะนี่มีหลายระดับขั้นด้วยกันโทสะระดับต้นๆ น, นี่แค่ไหนขัดใจนิดๆ <c oughs> เคยขัดใจไ่ม เขาบอกว่าการขัดใจเนี่ยนะมองอะไรถ้าหากว่าปฏิฆานิมิตนะเช่นใบเห็นมองมเห็นใบไม้นะมีตําแหน่งที่มแมลงมันเจาะหน่อยหนึ่งถ้าดูบ่อยๆเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวเครียดแหลนะส่วนไหนก็ตามที่มันน่าตําหนินะมองบ่อยบ่ออันโน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ไดนะ้น่าจะเป็นอย่างนั้นอันโน่นก็เลวเหลือทนอั น, นั่นก็โง่อั น, นั่นก็ไม่ดีค่อยคิดอย่างนี้ไปบ่อยๆนะ อีกพักเดียวแค่นั้นเดี๋ยวจะเริ่มบ่นเป็นละสัตวนานๆเข้ามันด่าจริงๆน ะ, ะมีโยมบางท่านขอมาเจอเจอหลายคนเหมือนกันนะคนอย่างไงแต่ไม่เห็นมีใครดีสักคนเลยในโลกนี้แกตําหนิไปหมดเลยไอ้นนท์ก็ยังงั้นอย่างงาั้นอย่างงาั้นอย่างงาั้นหูเราเนี่นั่งฟังหูชาเลยอะ่ะทำไมคนมันเครียดขนาดนั้นโทสะมันเกิดมากขนาดนั้นนะ เขาบอว่าในใจของบุคคลคนนี้หาความดีอยู่ในนั้นไม่เลยอะไม่มีใครดีสักคนเลยสรุปแล้วมีมาที่นี่ก็มียอมคนหนึ่งเหมือนกันโอตําหนิเขาว่าไม่มีใครดีสักคนเลยนะแกโทสะแกเครียดมากสีหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนไม่เหมือนคนที่กุสอเจริญหรอกหน้ามันจะเครียดหน้ามันจะเผาไม่ตลอดเพราะจิตมันคิดตําหนิมันจะถ้ามีโอกาสนะพวกนี้ระบายได้นั่งบ่นนั่งตําหนินั่งติเ ต, ตียนคนอื่นได้ เลยหลายชั่วโมงนะนั่งส่อเสียดได้เลยหลายชั่วโมงเลยนนั้นไม่ดีอย่างนี้ยังงั้นอย่างงั้นตัมหนิได้ตลอดโทรศัพมีโทษหรือไม่มีโทษ ม, ม่โทษถ้าเกิดในจิตของแบบนั้นบ่อยๆนะโทรศัทหนึ่งชั่วโมงนี่กี่ชาวนะไม่รู้ว่าชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้อเอ่พันก็บอกว่าเอ๊ะเป็นคนที่โกรธแล้วบอกทําไมชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองเลยนะ ถามหาได้ยังไงเหตุเนี่ยไม่ดีแล้วโทสะนี่ชวนะดวงที่หนึ่งให้ให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดผลของโทสะตรงๆก็คือนรกสองถึงหกเป็นไงผลในชาติที่สามเป็นด้นไปโอ้ชีวิตหาความสุขได้ยังไงแล้วก็ผลของโทสะที่ที่ออกมาในรูปแบบสีหน้านะเขาบอกว่าคนโกรธย่อมมีผิวผ่านสามทั้นคนที่ทำกรรมในอดีต บุญที่ทำมีโทสะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนะเรียกว่าก่อนทําบุญก็โทสะหรือทําเสร็จก็โทสะจะทําให้คนนั้นเนี่ยมีผิวผ่านซางเป็นคนที่น่ารังเกียจพนางมาริกากล่าวว่าสงสัยหม่อมชันเมื่ออดีตชาตินี้เป็นคนมักโกรธว่างั้นหม่อมชันเลยไม่ค่อยงามแต่หม่อมชันนิยมให้ทานเลยรวยว่างั้นพนางมาริกานี่กล่าวอย่างนั้นทั้นโทสะเนี่ยอันนี้โดยโดยกรรมนะ โดยอุปนิสัยอีกต่างหากนะเมื่อกี้บอกว่าโกรดนิดๆใช่ไหมในใจเนี่ยขัดใจนิดๆเนี่ยโทศกแล้วนะทุกเรื่องเลยถ้าปฏิฆานิมิตนะมองมองในแง่ไม่ดีเมื่อไหร่โทศะเกิดแล้วแต่มันเกิดในระดับราคาเคืองอนะคนเนี่ยโกรธจนชินนะนะคือคนที่โกรธบ่อยๆก็เลยเหมือนไม่โกรธคนนี่มีแผลใหญ่ๆอยู่แล้วนะจะมีเสิวขึ้นสักอันหนึ่งก็ไม่ไม่เท่าไหร่นี่มันก็เล็กน้อยอย่างนั้นแต่ แต่ถ้าคนที่เขาดีอยู่ตลอดเลยนะถ้าโทสะมันเกิดนั่นเขาจะรู้ทันทีเลยนะโทสะพวกนี้ที่มันเกิดแรงขึ้นมาหน่อยนะสีหน้าเป็นต้นสีหน้ากิริยาท่าทางถ้ามันแรงขึ้นกว่านั้นก็ค้างสันนะก็ว่านันจะดา่าแต่ว่าหาโอกาสจัง ไ, ได้ถ้าแรงกว่านั้นอีกก็ด่าเลยนั่งดา่าบางคนนี่ก็ยังไม่สะใจเหลียวซ้ายแลขวาจะมีอะไรช่วยได้บ้าง มีไม้คอ้อนมีอะไรได้บ้างเนี่ยโกรธแรงขึ้นแนละวเดี๋ยวซ้ายแลขวาแล้วถ้ามันจะโกรธแรงกว่านั้นอีกทําไงจับไม้เลยนะเตรียมเงื้อแล้วจะซัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ถ้ามันแรงกว่านั้นอีกซัดจริงๆริงเลยนะแต่ก็มัยังไม่ถึงกับตัดแขนตัดขาตัดอวัยวะถ้าโกรธแรงกว่านั้นเนี่ยตัดนิ้วตัดแข้งตัดข ตัดหูตัดจมูกตัดมันตัดได้มันตัดหมดแหละส่วนไหนถ้ามันโกรธมากมันตัดส่วนนั้นแหละก่อนนั่นแหละมันก็เริ่มตัดแหละสือพิมพ์นี่ออกบ่อยๆเหมือนกันนัมันตัดล้แล้วก็ถ้าแรงกว่า น, นั้นอีกทําไงฆ่าทิ้งเลยอันนี้ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะฆ่าแต่ถ้าแรงถึงที่สุดโกรธฆ่าคนอื่นเสร็จแล้วฆ่าตัวเองต่อนะก็คือเช่นคนที่อย่างชีวิตที่ครอบครัวที่มีปัญหา จะฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งตายและตัวเองก็จะฆ่าตัวตามอันนั้นเรื่องอย่างนี้ก็มีตั้งแต่สมัยก่อนก็มีอย่างประเทศศรีลังกานี่ก็มีเหมือนกันก็บอกว่าบุตรอัมมัดคนหนึ่งเนี่ยโกรธมากเสร็จแล้วก็ฆ่าคนนั้นเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตามอั น, นั้นคนลักษณะนี้ก็ได้ยินบ่อยนั่นก็เกิดสะสมมาจากโทสะทั้งนั้นแหละอันโทสะเหล่านี้มีโทษทั้งโดยอุปนิสัยด้วยมีโทษทั้งโดย วิบากด้วยและตัวโทสะขณะที่โทสะเกิดนั้นศรัทธาเกิดไหมศรัทธาแม้ก็บอกว่าพร้อพระองค์ตรัสว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อัดนะไม่รู้ประโยชน์อะไรสักอย่างในโลกนี้เลยประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่รู้คนโกรธย่อมไม่เห็นธรรม ะ, ะนะอะไรเป็นเหตุโทสะที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุแห่งอะไรคนโกรธก็ไม่รู้ แล้วก็ขนาดที่ความโกรธเกิดขึ้นมืดหมดอ่ะบาปบริสุทธิ์เลยขนาดนั้นเนี่ยโทสาเกิดจางเดียวใครไม่เคยโกรธครับคือในพระธรรมเนี่ยนะฮะได้แสดงถึงลักษณะอาการโกรธนี่นะไว้อย่างละเอียดมากเลที่ท่านบรรยายมานี่นะท่านบรรยายตามพระสูตรตามตามคำพีนะคือ ตั้งแต่โกรธหงุดหงิดในใจเล็กๆเนี่ยนะเล็กๆในน้อยนี่นะจนกระทั่งโกรธเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยนี่ท่านกล่าวไว้กันจริงๆนะเหลียวซ้ายแลขวาหาอะไรทั้งอย่างเนี <c pol Gothic> ่ยชักมากขึ้นนี่นะเคยเคยไหมอย่างเราเคยเจอพ่อแม่เราไหมนะตอนนะท่านโกรธลงมานะะอย่างนี้ด้เรื่องเราต้องรีบแล้วนะเราต้องรีบหลบแล้วนะโอ้ท่านบรรยายละเอียดขนาดนี้นะพอพ่อแม่ชักเหลียวซ้ายแลขวานี่เราต้องรีบเห็นแล้วนะ เออขืนอยู่เดี๋ยวได้เรื่องหน้่ใช่ไหมแล้วก็กระทักพัดเพิ่มอีกนิดนึงนะถึงกับถึงกับไปจับเลยนะท่านี้แต่ยังแต่ยังยังยังยังไม่ลงมือนะจับนี่เป็น ง, งี้จริงๆนะครับพอจับแต่ยังไม่ลงมือนะครับยังไม่ลงมือคว้างนะฮะจับแล้วทั้งไม่คว้างเงื้อนะครับเงือ้อแต่ยังไม่ปล่อยนะหน้ามาวางเอาใช่ไห ม, ไหมโอ แสดงว่าในคำภีท่านบรรยายไวอย้อย่างละเอียดมากเลยนะจนกว่าที่ขนาดที่ไปถึงกับว่าฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าตัวเองเนี่ยนะมีบ่อยนะในหนังสือพิมพ์นี่นะพอฆ่าแล้วนะฆ่าตัวเองนะฆ่าลูกฆ่าเมียนะในสุดฆ่าตัวเองเนี่ยแสดงว่าโอ้โหแรงมากๆเลยใช่ไหมครับโอ้เรื่องเรื่องโทสะนี่นะครับเออผมเป็นคนที่ ไม่ใช่เย็นเหมือนฉันแล้วก็เมื่อเกิดโทรสาแล้วก็รู้สึกเสียใจทุกครั้งนะแต่ว่าพอเห็นโทษข้าดีขึ้นเยอะนะเห็นโทษเข้าดีขึ้นเยอะนะเมื่อกี้นี้ก่อนมานี่ถ้าจะนะชาติน่าเกิดมานี่ถ้าจะปัญญาไม่พอใช้ได้แต่ว่าเอ้ยทาผิวพรุ์ถ้ า, ถามันก็ยดีเหมือนกันนะ ทําพอเล่งแม่บานเล้วก็นนะถึงเวลาแล้วถึงเวลาไม่ไปตักทีถึงเวลาแล้วก็ยังไม่ออกตั้ทีหกโมงแล้วเราก็หวั่นไว้อ่ะเราก็หวั่นไหวนะไม่ท่านไม่ท่านไม่ท่านนี่นะปฏิฆานิ่มิดเกิดไปปฏิฆาณีมิดเกิดเมื่อกี้ท่านพูดมาพองชักม่เสียวเลยนะชาดหน้ารูปไม่ลอยุ่งเลยนะนมาหน้าผิวดํำว่าท่านหนึ่กัยุ่งเลยเออผิวคล้ากว่าท่านนะออื เออเออนี่เป็นความจริงนะเพราะว่าเราทําบุญไปด้วยนะแล้วก็เกิดกิเลสไปด้วยนะสลับกันไปนะมันสลับกันไปเรากลัวเพราอะไรเพรากว่ า, ามาไม่ทันที่จะศึกษาธรรมะนะเรามาไม่ทันความจริงเนะี่ยโกรธเพื่อจะทําความดีนะแต่เมื่อทําเมื่อความดีอันนั้นเนี่ยมันมีบริวารเขาเรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศล เราเคยเนะยเวลาจะทำบุญสายบาทหรือเตรียมจะทำบุญสักอย่างน่ยเสร็จแล้วอาหารไม่ทันบ้างคนยกหกบ้างอะไรบ้างจิตเป็นกุศลเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นครับร้อยเนเลยฮนะนั่นแหละ<น>กุศลก็เป็นปัใจจัยให้เกิด<น>อกุศลได้ในขณะเดียวกันอกุศลก็เป็นปัใจจัยให้เกิด<น>กุศลได้อันนี้อุปนิสัยปัจจัยนะแต่ว่าอย่าให้มันเกิดบ่อย อุปนิสัยแบบนั้นจะเกิดบ่อยเหมือนกันกำลังหมาฉงเชิงฉงเชิงนะพอพระมาก็เงียบแล้วใส่บาตรพอพระไปแล้วเอาต่อใช่ไหมพอพระมาแล้วจนพานว่าต่อมีมีหรือล่าเคยไหมไม่เคยใช่ไหมโอ้ดีนะคุณนิพานนี่ดีสุดดีจังเลยเออเรื่องการที่เป็น okay. อุปนิสัยนี่นะฮะน่าคิดมากเลยนะครับ เราจะเห็นว่าเ <c oughs> มื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเราพบกับอารมณ์เราต้องประสบกับอารมณ์นะทั้งที่เป็นปฏิฆาอารมณ์หรือว่าจะเป็นสุพระอารมณ์ก็ดีหรือว่าเป็นมัชต า, ารามก็ดีนี่นะครับแต่อำนาจการสะสมมานี่นะครับมันจะโน้มถ้าคนณสะสมโทสะมานะมันเห็นแล้วมันโนม้มไปดังโทสะหมดเลยแปลจริงๆแล้วก็คนที่ถนัดมีความ มีความถนัดหรือว่ามีความชํานาญในการโน้มเนี่ยนะโอ้โนมเก่งนะโนมเป็นโทสะจนได้นะดูทีวีอยู่เนี่ยโหคนอื่นเขาสนุกสนานนะตัวเองเกิดโทสะได้นะนะไอคนนู้นก็ไม่ดีไอคนนี้ไม่ดีไม่ไดาราคนนี้โอ้นั่งบางทีนั่งดา่าทีวีอยู่คนเดียว น, ะนั่งหน้าจอเนี่ยนะมีนะครับคนประเภทนี้มีนะนี่ยดาราคนนี้เนี่ยรู้ไหมในประวัติประวัติเป็นยังไงเนี่ยนะโอ้โห ไอ้คนนี้เคยไปแย่งผัวเขาไอคนนี้ไปแย่งเมียเขานะไอ้คนนี้แต่งงานมา ก, กี่คนแล้วไอ้คนนี้ไปสมร เ, เล่เทมานโอ้ยคนนี้เคยไปไปไปไ ป, ไปถ่ายภาพนูด้ดไปคนนี้โอ้ยรู้เยอะจริงๆเลยเนี่ยนะครับไปเนระื่องความโน้มไปเนี่ยนะฮะความถนัดที่จะโน้มนะแล้วทีนี้ถ้าเราดูตรงข้ามนะครับถ้าผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะโน้มมาทางเมตตาเนะี่ยเอ๊ะเขาาโน้มมาทาเมตตาได้หมดเลยนะ เรือโน้มมาทางทานเนี่ยเห็นอะไรเป็นทานไปหมดเห็นอะไรก็อยากจะทําทานมีช่องทางที่จะทําอยู่หมดเลยนะครับแปลจริงๆนะครับเจริญพนอันถ้าหากว่าผู้ที่มีอุปนิสัยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะจะต้องมันตึกถึงเรื่องกรรมบ่อยๆนะอย่าลืมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราจะพยาบาทตัวเองไปถึงไหนนะเวลาที่เราโกรธเรานั่นแหละบาปสูตรมีอยู่ว่าชาวนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะ ถ้ามันโกรธเมื่อไร่ท่องไว้เลยอเดี๋ยวเงียบหเงียบยิ่งกว่ยี่งกวเคยเคยเด็กร้องให้นะเอาขนมไปให้นะบางทีมันยังสะอื้นให้เห็นบ้างแต่ถ้าหากว่าเราอากุศลจิตเกิดขึ้นโลภะโทสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเพิบนึกเลยนะนี่ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้านะสองถึงหกพาธที่สามเป็นต้นไปนะคาดว่าจะนม่ผ่านไม่ชาตินี้ถ้าไม่นิพานยังไงก็ต้องรับนะ เมื่อรับราอย่าเสียใจนะโกรธเข้าสิจะได้รับมากๆเอาไหมนั่นแหละก็ซักแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็พักเดียวมันก็จะเย็นจะช่วยได้เยอะท่านเชื่อไหมครับว่าอานาจของสักกายาทิฏฐินะครับที่รักตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยรักตัวเองหมดเลยนะครับอำนาจรักตัวห่วงตัวเทดิดทูนตัวนี่นะครับพอเราโกรธเนี่ยเราจะต้องโยนให้คนอื่นเนี่ยเขาทำให้เราโกรธครับ เขาทำให้เราโกรธทั้งนั้นนะครับนี่ขี่ขับรถมาบอกเอ้คุณนายทําให้เราโกรธจริงนะ น, นี่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดอันที่จริงเรานะ่ะลักโกรธเองถ้าไม่มีเชื่ออยู่ให้ใครมาทําไงก็ไม่มีโกรธอะอันที่จริงเราโกรธอะครับบางทีโกรธเราโกรธอยู่เขาคนอื่นยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยว่าเราโกรธนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นหามาคําเรานี่แหละเนี่ยแสดงว่าเราทํากรรมอะไรไม่ค่อยดีนะ ได้ยินเสียงไม่ดีหรือว่าแต่ว่าโยนิโสไม่เป็นนะครับก็ไม่โยนิโสครับก็เลยโกรธเลยก็เหมือนกับที่ละมาไ<ม>อ้นั่นแหละมันมีเชื้อเก่าอยู่ไงพอ<ม>พูดพูดไปมันก็จะไอน่ น, นั่นแหละมันมีเชื้อเก่าใช่ไห ม, มคนที่มีอัธยาศัยนิยมโกรธก็จะลักษณะเดียวกันนั่นแหละ<ม>เชื้อเก่ามันค่อนข้างเยอะได้ปัจจัยพับเอาละนั่นแหละดัง น, นั้นความโกรธนี้สรุปแล้วไม่ดีโดยประการทั้งปวง แต่ทีนี้ถ้าเมตานี้ดีไหมดีนะ อ, อย่างข้อความในเมตตาภาวะสูตรนะกุฏกานิกาอิติวุตกะท่านกล่าวว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปธิสมบัติเป็นเหตุ อุปเทีก็คือให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปนะบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดเหล่านั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตต์ก็คือเอาเมตตาเจโตวิมุตต์อันหนึ่งเนี่ยนะมาผ่าออกเป็น16ชิ้นเอาหนึ่งชิ้นเนี่ยมาผ่าออกเป็น16ชิ้นอีกก็บอกว่าบุญทั่วไปนะั้นไม่ถึงหนึ่งชิ้นอันนั้นเลย เมตตาเจโตวิมุต tn ั้นแลครอบงำบุญกิริยาวัตถุเหล่านั้นสว่างสวัยไพโรธเปรียบเหมือนรัศมีแห่งดาวชนิดใดชนิดหนึ่งรัศมีดาวทั้งหมดเหล่านั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งรัศมีพระจันทรัศมีพระจันทร์นั่นแลครอบงำรัศมีดาวเหล่านั้นสว่างสวัยไพโรธฉะนั้นใช่ไหมดวงดาวนี้เต็มท้องฟ้าแต่ก็ไม่สว่างเท่ากับดวงจันทร์แม้แต่ดวงเดียว ดูความพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนในเมื่ออากาศโปร่งปราศจากเมฆในสารทศสมัยคือในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพระอาทิตย์ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากําจัดอากาศอันมืดทั้งปวงสว่างสวัยไพโรชนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างสวัยมากในในฤดูนี้นะเป็นฤดูที่ดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างมากถ้าไปยืนสู้แดดดูหูมร้อนจริงๆอันหนึ่ง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 ปฏิฆาสังโยชน์เนี่ยระ ง, งับไปเยอะนะสังโยต์ปฏิฆาเป็นสังโยต์อย่างหนึ่งเป็นเครื่องผูกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฉนั้นขณะที่เจริญเมตตาไปบ่อยๆปฏิฆาสังโยชนหรือโทสะก็จะระ ง, งับระ ง, งับระ ง, งับฉั้นถ้าคนที่สามารถในการเจริญวิ ป, ปัสสนาได้ก็สามารถที่จะดับปฏิฆาสังโยชนนั้นโดยเด็ดขาดเป็นพระนาคามีบุคคล ถ้าว่าผู้นั้นมีจิตไม่ประทุษร้ายซึ่งสัตว์มีชีวิตแม้ชนิดหนึ่งเจริญเมตตาอยู่ใสผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลเพราะการเจริญเมตตานั้นอันพระอริยบุคคลมีใจอนุเคราะห์ซึ่งสัตว์มีชีวิตทุกหมู่เหล่าย่อมกระทาบุญเป็นอันมากพระราชฤาษีทั้งหลายทรงชนะซึ่งแผ่นดินอันเกลื่อนกลนด้วยหมูสัตว์ ทรงบูชาอยู่ซึ่งบุญเหล่าใดคืออัศเมธะปริสเมธะสัมมาปาสวาชประยะนิรักละเสด็จเที่ยวไปคือพระราชาที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมที่สุดเนี่ยนะบอกว่าขนาดพระราชาเหล่านั้นเนี่ยที่ทำกุศลอย่างนั้นบุญเหล่านั้นย่อมไม่ถึงแม้เซี่ยวที่16แห่งเมตตาจิตอันบุคคลเจริญดีแล้วเหมือนหมู่ดาวทั้งหมดย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16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 แตดงว่าเมตตานี่นะฮะ น, นิสงสูงมากเลยในบุญญากริยาวัตถุนี้ทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าใครเจริญเมตตาเป็นนี่กโ็โหดีกว่าทำทานนะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีวัตถุทานไม่ต้องมีอะไรเลยนะและ้วก็แวดเดียวนั้นเองถ้าเกิดเมตตาแต่ที่จริงนะถ้ามีเมตตาบ่อยๆนะข้าวของไม่เสียได้หรอกนั่นแะก็ ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะที่ให้ทําไม่ได้นะจิตชนิดตายขาดเมตตาก็ขาดเมตตามัชชริยะเจตเสิกเกิดร่วมกับโทสะนั่นแหละอันถ้ามีเมตตาแล้วนะข้าวของจะเป็นสาธารณะโพคีทันทีเลยคนอื่นมาใช้ก็ไม่ไม่นึกตำหนิเขาเลยนะเออดีซะอีกช่วยใช้หน่อยแหมปล่อยทิ้งไว้ก็เสียเปล่าๆมันจะคิดอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าโทสะบอกใครใช้จะตรงกันข้ามหมดเลยอาแสดงว่าเมตตานี่เป็น เป็นสุพนจิตที่เกิดกับสุพนจิตทุกดวงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เป็นความจริงครับแต่ว่าเมตตาที่ประสงค์ในที่นี้หมายถึงเมตตาหรืออาโทสะที่มีปิยมนาประศัตเป็นอารมณ์อ๋ออัคือเมตตาอคืออาโทสะเจตสิกที่เกิดกับโดยที่มวงัื่นๆแตกต่างกันตรงนี้ใช่ไหมครับจนผ่านอ่าฮะ แต่ถ้าทานกุศลทั่วไปก็จะมีพวกสีพวกเสียงพวกเข้าของเครื่องใช้ให้เป็นอารมณ์อันนั้นก็อาโทสะเกิดแต่ถ้าเมตานั้นจะมีสัตว์เป็นอารมณ์แต่สัตว์นั้นเป็นที่รักที่เจริญใจครับครับเข้าใจครับท่านมีอะไรต่อไหมครับเวลาผมจะหมดอยู่แล้วนะวันนี้ผมให้เวลาน้อยหน่อย ใครมีปัญหาจะมครมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาอะไรจะตั<จ>ะขึ้ น, นรายละเอียดใหม่ก็ยาวเลยมีไหมครับคนที่ใครสักคนซึ่งคนเป็นคนขับนะฮะถ้าเขาเป็นเจ้าตัวสระเขาจะอารวาดไปตลอดเลยครับน ะ, ะไอคนนู้นก็ผิดจราจรไอคนนี้ก็จะมาแซงเขาไอคนนี้ก็ผิดโอ้ว่าไปเรื่อยตลอดเลยครับนะ หันซ้ายหันขวานะตาเขียวเลยหันกลับไปไม่มองนะผมรับแปลกใจจริงๆเลยนะทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องหันเขาไปตาเขียวไปว่าเขาเขาก็ม่ได้ยินนะบางทีว่าอยู่ในรถนะั่นนะไอ้ลูกเมียตัวเองลนะ่ะได้ยินเต็มเป่าเลยนะไอ้คุยตรงข้ามไม่ได้ยินครับนะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่อไอ้โทรศรัพเนี่ยมันมันแปลกมันปทุสลายคนข้างๆก่อนเลยนะจนรคับปทุสลไลตัวเองแนละ้วปฏิสไลคนข้างๆคนอื่นไม่รู้หรอกครับนะ เจอท่านหมอครับคือเมื่อกี้นี่พูดพูดไปถึงว่าถ้าถ้าฆ่าคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ฆ่าตัวเองตายด้วยทีนี้นึกนึกถึงทหารที่ยอมปลีชีวิตเพื่อเพื่อชาติแล้วก็เอาอย่างเช่นเอาระเบิดไปทิ้งเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็ยอมตายด้วยมันคนละเรื่องการมิแกช่ คือถ้าลักษณะนั้นจะคนละตอนกันน ะ, ะทีแรกอาจจะเจตนาดีเพื่อชาติอะไรก็ตามแต่กุศลจิตอาจจะเกิดแต่ว่าขณะที่ระเบิดเนี่ยสร้างสารรค์ไหมท ำ, ไทำลายทำลายทาลายแม้กระทั่งตัวเองก็แสดงว่ากุศลอ น, นันต์เนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิด อ, ก, อกุศลก็ไดแ้แต่ถ้าเขา คือก็คนละตอนกั น, น, นเมื่อคนละตอนกันนั้นเราจึงเห็นว่าเจตนาที่ดีบางอย่างในในชั้นต้นนั้นก็ไม่ได้เป็นปัจจัยให้ทำดีเสมอไปมีโยมคนหนึ่งะนะเขาเข้าไปในป่าไปล่าสัตว์กันแล้วอีกคนหนึ่งก็ยิงชนียิงตกลงมาเลยไอ้เพื่อนที่ไปด้วยสงสารชนีจับใจเขาตกมาไม่ตาย พวกไส่พวกอะไรมันทะลักออกมามันก็เอามือเนี่ยยัดเข้าไปใช่ไหมแต่คนที่ไปด้วยนี่สงสารชนีจับใจเลยทาไงชักปืนยิงชนีเลยมันจะได้ทรมานน้อยๆหน่อยครับว่าเพราะว่าถามว่าอย่างนี้ผมจะบาปหรือเปล่าผมสงสารมันจริงๆนะเพราะว่ า, ามันคนละตอนกันอ่นะเนาะเมื่อสองวันนี้ผมเห็นแหม่มนคนเนะี่ยฝรั่งคนนะอยู่ในประเทศอินเดียนะก็แกมีกุศลจิตนะ ไปเอาไอ้วัวซึ่งวัวอินเดียมันเยอะใช่ไม้มฮะเขาจะไม่คือวัวแก่เขาก็ไม่ฆ่าเหมือนกันเนอะนะก็ปล่อยวัวเนี่ยอิเลเปปะไปนะฮะปล่อยให้มันอดอดอยากๆแนะ้นอนข้างถนอนอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเขาก็ไปเก็บพวกเหล่านี้เนี่ยมาเลี้ยงนะมามาเอามาดูแลแล้วก็ เขาก็เห็นว่าถ้าตัวไหนนี่มันแย่เต็มทีเนะเขาก็กำจัดมาได้แล้วเขายังประกาศดีนะให้ชาวบ้านบอกว่าถ้าใครมีสัตว์ที่กำลังป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้นะเขาช่วยกำจัดให้ได้เขาว่าเป็นการสงสารเป็นการเมตตาอย่างนี้เขามีนะครับนี่เป็นข้อศาสนาเข า, า, าขเข า, เขา ค, คิดว่าเขาทาความดีอย่างบางอย่างก็ ทิถีเข้ามาแทรกนะอันนคือถ้ามีลัทธิหรือทิฐิเข้ามาแทรกนั้นจะปกปิดตรงนั้นเลยว่าไม่มีโทษก็เหมือนกับขอภัยนะก็เหมือนกับการค้าการใส่อาหารอาหารใส่สีบางอย่างนะคือถ้ามองเป็นการค้าเมื่อไหร่ปั๊บพ่วกนี้ปั๊บไม่มีปัญหาละกลบเกลื่อนได้หมดเลยดังนั้นตัวทิฐินั้นก็เหมือนกับลักษณะของการค้าอย่างหนึ่งเหมือนกันอันทําให้ทําบาปโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจด้วยอํานาจของทิฐีนั้นแหละ อันแยกไม่ออกไงพอแยกคุณภาพจิตแยกสุขภาพจิตแต่ละขณะไม่ได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นจิตชนิดใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมีจิตชนิดใดแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเจตนาเมื่อไม่เข้าใจเข้าก็ประมวลมาประมวลทั้งกุศลและอกุศลนั่นแหละมารวมกันเหมือนกับคนไปวัดอะนะอย่างอย่างสมัยนี้จะมีบ่อยมากไปวัดทั้งวันเลย ถามว่าเป็นได้บุญทั้งวันไหมใช่ไหมได้บุญทั้งวันไห ม, ไมนะแต่ถ้าคนไม่ได้ศึกษาก็บอกบุญหมดเลยนะทั้งๆ ท, ท, ที่ไปเที่ยวบน่นเที่ยวด่านินทาอะไรทั้งหมดเนี่ยไอ้นั่นไม่ใช่เลยแต่ก็เข้าถือว่าไอ้กิจกรรมที่เข้ามาเนี่ยบุญหมดเลยนั่นแหละเพราะเหมารวมๆเพราะเขาไม่ได้แยกแยะเลยอันผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะในชั้นรายละเอียดว่าอะไรเป็นกุศลอกุศล น, นั้นก็จะประมวลมาประมวลมาตลอดคิดเอาเองเชนญพอด นั่งฟังธรรมอยู่นี่เนี่ยเป็นกุศลตลอดไหมไม่ไม่ตลอดไม่ตลอดเราจะรู้นั่งนั่งอยู่นะวิตกเรื่องอื่นแว็บเข้าไปแล้วบางทีเออพระม า, าพูดไปฉันก็คิดไปตรงนั้นไปเพราะอีกคำหนึ่งอ้าสะดุ้งมากล้วนี่แหละแสดงว่าคิดเรื่องอื่นเนี่ยแทรกขณะที่คิดเรื่องนั้นๆส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปกับกุศลสักอย่างเลยเป็นการมวิตกบ้างนะถ้าพูดถึงสิ่งที่ประทับใจเช่นพูดถึงอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมผู้การพูดถึงรถใช่ไหม โอนึกถึงภาพบรรยากาศที่ตัวเองขับรถอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้อ น, นะบางทีการนึกนั้นนึกด้วยถ้าตัวเองเคยโกรธนะนึกด้วยโทรมานัทไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยอันนั้นโทรมานัทเรียกว่าวิปปติสารขณะนั้นไม่ใช่กุศลหรือนึกถึงภาพบางอย่างที่ตัวเองนึกแล้วนึกยิ้ ม, ย, มยิ้มอ่ะ น, นะไม่ได้เป็นไปกับกุบกศลข้อใดเลยอันนั้นก็เป็นกามวิตตขั้นจิตเนี่ยจะสลับตลอดขั้นการวินิจฉัยจิตนั้น จึงเอาเป็นอารมณ์เป็นทวารมาตั้งนะว่าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์เป็นอนิถารมณ์หรือเป็นมัชตารมณ์จะได้วิเคราะห์สุขภาพจิตในขณะ น, น, นั้นไปเราจะไม่เหมารวมไปหมดนะไม่ใช่บรรยายธรรมทั้งชั่วโมงจะเป็นกุศลทั้งชั่วโมงนะไม่ได้เป็นหมดนะไม่ได้เป็นทั้งชั่วโมงหรอกนะจะมีจิตอื่นๆมาสลับคันอยู่นะฟังธรรมทั้งวันก็ไม่ได้เป็นกุศลจิตทั้งวันนั่นะแหละอันถ้าเราศึกษาเรื่องนี้จะค่อยค่อยแยกภาวาน ศึกษาเรื่องทาวารเลยว่าเออจิตที่เป็นไปกับทางจักรคูทาวานนี่เป็นอย่างไรมีกี่ดวงจิตเป็นไปทางโสตทาวานมีกี่ดวงอย่างเงี้ยก็ค่อยศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ลงมาถ้าเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงจิตเหล่านี้ได้เราจึงเจริญจิตตานุปัสนาได้ถ้าไม่งั้นเจริญไม่ได้เพราะว่าพระองค์แสดงว่าจิตมีราคาก็มีจิตปราศจากราคาก็มีทําไมจิตจึงเป็นราค่ะ ถ้ารู้เรื่องจิตโดยที่ไม่รู้ปัจจัยของจิตมันก็ไม่ใช่ฐานะอีกนั่นแหละดังนั้นถ้ารู้เรื่องจิตก็จะรู้ว่าอารัมมณปัจจัยของจิตในขณะนั้นเป็นอย่างไรอะไรเป็นอารมณ์ของจิตจิตนั้นจึงมีราคาอะไรเป็นอารมณ์ของจิตจิตจึงไม่มีราคาสมมุติขณะเห็นเนี่ยนะจิตไม่ได้เป็นราคาตลอดนะในช่วงที่ปัญจทวาราวัชนะจกขูวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวทัปนาเกิดจิตอันนี้ปราศจากราคะ ชาวนะจึงจะเป็นจึงจะมีราคาแล้วเข้าพวังสลับกับภวังผวังนั้นไม่มีราคาแล้วก็วนอยู่อย่างนี้แหละอันอมีจิตชาติอื่นๆมาแทรกอยู่นั่นแหละอันพระองค์จึงกล่าวว่าเห็นเธอพึงทำศึกษาเพียงแต่สักว่าเห็นใช่ไหมก็คือทำยังไงชาวนะจิตเนี่ยจะไม่โกรธเหมือนทวิปัญจะนั่นแหละจะขูวิญญาณไม่โกรธสัมปติชนะไม่โกรธ สันติรณะไม่โกรธวอทะพณะก็ไม่โกรธหรือไม่ไม่โลภไม่หลงสักอย่างทํำยังไงชาวนะจะเป็นแบบนั้นคือหมายความว่าชาวนะนี้ไม่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมแบบนั้นเลยให้กุศลเนี่ยเกิดได้แต่กุศลเนี่ยศึกษาใช่ไหมศึกษามีกี่อย่างสามอย่างเอ้ยเห็นยังไงจึงจะเป็นอัธิศีลสิกขาไหเคยศึกษานหมค่อยๆถ้าขณะที่ศึกษาแบบนี้จิตขณะนั้นปราศจาก ราคาใช่ไหมจิตมีโทสะก็เหมือนกันจิตมีโมหะก็เหมือนกันแล้วก็ค่อยแยกแยะแบบนี้จึงจะเจริญจิตตานุปัสสนาได้ถ้าแยกไม่ได้เจริญไม่ได้เพราะจิตตานุปัสสนาแสดงไว้ตั้ง16บนัยยะสิบหนัยยะนั้นจิตที่เป็นไปอย่างนั้นก็เพราะอารมณ์แล้วแต่อารมณ์อ่ะสำนวนไทยๆก็เลยใช้คําว่าแล้วแต่อารมณ์วันนี้อารมณ์ไม่ดีก็คือปฏิฆาณิมิตรมันเกิดมากแสดงว่า พูดโดยอ้อมมานะบอกว่าอารมณ์ไม่ดีก็แสดงว่าชาวนะตอนนั้นเป็นโทสะนั่นแหละวันนี้อารมณ์ดีมากเลยแสดงว่าสุภนิมิตนะชาวนะเป็นโลภะถ้าเราศึกษาแบบนี้จะรู้เรื่องจิตตานุปัสสนาดีและจะรู้เรื่องปัจจัยของความคิดแต่ละอย่างังนั้นความคิดเนี่ยนะมันเหมือนกับติดกันเป็นเพลิดไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่แยกทวารนะจะรู้ว่าจิตที่เป็นไปทางตานี่อย่างหนึ่ง จิตเป็นไปทางหูเนี่ยอย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปทีนี้ในจิตเหล่านั้นเองแม้แต่ทางตาเนี่ยนะชาวนะบางครั้งเป็นโลภะบางครั้งเป็นโทสะบางครั้งเป็นโมหะบางครั้งเป็นกุศลเป็นกุศลเป็นเป็นได้อย่างไรนะศึกษาเรื่องพวกนี้ให้ดีๆนั่นแหละเขาเรียกว่าศึกษาจิตตานุปัสสนานั่นแหละขณะเห็นบ่อยๆเนี่ยใส่ใจแบบนี้บ่อยๆมากๆเรียนรู้บ่อยๆ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถฝึกเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จิตตานุปัสสนาไม่ได้ถ้าจิตตาไม่ได้เวทนาเป็นได้ไหมเวทนาเกิดที่ไหนเวทนาเกิดร่วมกับจิตเนาะนะงนั้นเราเห็นแล้วความรู้สึกเราเกิดได้กี่อย่างนะถ้าไม่ศึกษาลักษณะนี้เราจะแยกเวทนาก็ไม่ได้ธรรมะหายห่วงเลยธรรมานุปัสสนานะสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์ยิ่งหายเงียบเลยนะตอมเพราะมันละเอียดกว่า น, นั้นเข้าไปอีกมันจะต้องมัน สอบสวนแบบนี้ที่จริงความรู้ในการเจริญสติปัญฐานหรือการเจริญวิปัสสนานะีประเดหนึ่งประชดสองประชดสามประเดสี่บ้างไม่มากนะักนะประชดห้าเรื่องตําแน่นหน่อยประชดหกเรื่องรูปก็ช่วยได้เยอะสรุปแล้วเก้าประชดนั่นแนหะไม่เยอะนะเล่มที่จริงอภิธรรมมัตสังกะหะจริงๆเนี่ยเล่มนิดเดียว ที่เยอะนี่คือคําอธิบายของพระตกถาจารย์บ้างครูอาจารย์ทั่วไปที่เขาบรรยายรวบรวมมาบ้างแต่ตัวพิธรมัตสังกะหะเนี่ยเล่ม น, นี้เดียวจริงๆเลยหนังสือพิมพ์นะฉบับที่เราหบาทหรือ7จ็ดบาทตอนนี้นะมติชนเนี่ยเอามาตัดตับเป็นรูปเล่มนะน่าจะใหญ่กว่าพิธรมัตสังกะหะด้วยซ้ําไปโอ้แต่ก็นั่งอ่านได้ตาตหว่างเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าเราจําอันนี้ได้นะข้อมูลนี่จะช่วยทําให้เราศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างกว้างขวาง ถ้าหากว่าเราจําไม่ได้เลยเนี่ยจะสับสนตลอดไวยากรณ์ตกเขาว่าไงตกอักษรถ้าคนอ่านภาษาไทยนะอักษรภาษาไทยเนี่ยตกจะอ่านไม่รู้เรื่องคนที่ศึกษาพระธรรมเหล่านี้เนี่ยในชั้นต้นในชั้นโครงสร้างถ้าจําไม่ได้เนี่ยเริ่มสับสนแล้วนะการวิจัยเรื่องสติปัฏฐานก็เหมือนกันถ้ากุศลเหล่านี้เราอ่อนนะพรหมวิหารจะเจริญต่อไปไม่ได้ เพราะพระมิหารนั้นเป็นเมตตาเมตตานี้เป็นสติปัฏฐานไหมเป็นเป็นข้อไหนธรมมานุปัสสนสติปัฏฐานนะเมื่อพยาปาทานิวรมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาปาทานิวรมีอยู่ณภายในจิตอันนี้โทสะเมื่อพยาปาทนิวรไม่มีณภายในจิตก็รู้ชัดอันนั้นแหละคือเมตตานะ พยาบาทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดพยาปาทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดอั น, นัญการละพยาบาทนั้นก็คือเมตตาอีกนั่นแหละที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดดัง น, นั้นการศึกษาเรื่องเมตตาก็คือจะต่อด้วยนิวรณ์บัพภะในสติปัฏฐานนั่นเองผู้การเตรียมอะไรไหคื อ, อที่ผมสูตรนี้ผมะไปแสดงที่อ ที่เนปาลครับนะที่ไปอินเดียเขาที่แล้วเนี่ยชื่อว่ า, าวิตกสันทานสูตรนะผมมีความมุ่งหมายเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ า, าความคิดเนี่ยนะมีความลึกวิตกนี่นะฮะมีความสําคัญมากแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าผู้นั้นมีปัญญานะครับถ้าผู้นั้นจะสมปัญญามาพอที่จะเปลี่ยนความคิดได้เพราะว่า เราสามารถจะเปลี่ยนวิตกซึ่งเป็นอกุศลเป็นกุศลมิตกได้นะครับและพระผู้ิภาคทรงตัดไว้ในสูตรนี้ว่าถ้าผู้ใดมีความสามารถอย่างนั้นผู้นั้นทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับมีความสําคัญมากเลยถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนจากอกุศลมิตกมาเป็นกุศลมิตตกได้นี่ครับถ้าเราไม่มีความสามารถอย่างนั้นไม่มีทางบรรลุมรรคผลนะครับรับรองได้เลยและการที่เขาไปเปลี่ยนอย่างนั้นถามว่าเป็นตัวตนเขาไปเปลี่ยนหรือเปล่า เปล่าเลยพระพุทธภาคทรงให้มีอัตตาสัมมาปณิทิตตั้งใจเข้าเข้าไปที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะครับอถ้าเราใส่ใจแบบนี้นะนี่เป็นในการวิจัยพวกนี้เป็นอาธิปัญญาสิกข า, านะในการแยกแยะวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นอาธิปัญญาสิกข า, าถามว่าสมมติว่าคนที่จะรู้เรื่องจิตทางตาดีนะก็ต้องรู้วัตถุอารมณ์ของจิตใช่ไหม ว่าจาักรุูวิญญาณนั้นอาศัยตาเรียกว่าจักรุูวัตุมีรูปารมณ์หรือมีสีเป็นอารมณ์ถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่ขัดแย้งต่อรัทีิอัตตาในตัวอันไม่ต้องบอกว่าเป็นอนัตตาเลยก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อัตตาอยู่แล้วคือถ้าอัตตาเนะีสำคัญว่าเป็นสัตว์จริงๆอยู่ในนั้นเช่นเห็นจิตโดยความเป็นตนตนอันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดตนก็อันนั้น แต่ถ้าศึกษาแบบนี้เนี่ยเอตากับสีจิตเห็นจึงเกิดอะไรเป็นอัตตาไม่ ม, ม, มีเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นสัมปติชนะจิตก็เกิดต่อสันติระนาโวทัพณะชาวณะมีแนวความคิดตะแล้วแต่อุปนิสัยสะสมมาถ้อยคําเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคําที่ประกาศถึงความเป็นอนาตาอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยนะเพร้น พ, พวกนี้เป็นประมากถา เมื่อเป็นปรามาตฐานนั้นจึงเป็นคําปฏิเสธอัตตาโดยเฉพาะแต่ว่าอย่างนี้อนัตตลักษณะยังไม่ปรากฏนะต่อเมื่อสามารถที่วิจัยว่าตาคืออะไรสีคืออะไรเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่ตาเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหรจิตเห็นเกิดด้วยปัจจัยเท่าไร่อันนี้เรียกว่ารู้ปัจจัยของตาสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นอัตตานั่นคืออนัตตลักษณะจะเริ่มจะเห็นอนัตตลักษณะที่ตีรณะปริญญาแต่ในชั้นธรรมดานั้นไม่ยังไม่มีผู้ใดเห็นอนัตตลักษณะงั้นอนัตตลักษณะนั้นจะเห็นจริงๆเมื่อได้ตีรณะปริญญาเพราะรู้อนิจจังเพราะรู้ทุกขงังอนัตตลักษณะนั้นเป็นธรรมชาติที่ปรากฏยาก อันพระองค์นั้นจะประกาศอนตัตตลักษณะโดยเอาอ น, นิจจังเป็นตัวประกาศนะอย่างเช่นในชาัชากกสูใช่ไหมมีผู้กล่าวว่าจากักระสูเป็นอัตตาเนี่ยคาของผู้นั้นควรหรือไม่ควรไม่ควรเพราะอะไรเพราะจากักระสูนี้มีทั้งความเกิดและความดับอันนะั้เพราะที่จกักระสูทั้งเกิดทั้งดับอย่างนี้แหละจกักระสูจึงเป็นอนัตตาอันนี้คําประกาศอนัตตาในชั ช, ชกสูส่วนใน อนัตตลักขณะสูตรนี้พระองค์เอาทุกมาเป็นตัวอธิบายอนัตตาดูความพิสูจนทั้งหลายเพราะรูปเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาทนี้คือทุกขลักษณะเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อาพาธอาพาตก็คือมันมันไม่อยู่ในสภาพแบบนั้นไม่ได้มันเบียดเบียนบี บ, บคั้นตลอดเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจึงเป็นอนัตตาบางแห่งก็บอกดูความพิสูจทั้งหลายจะโซเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นเป็นอัตตาเนี่ยควรไหมไม่ควรอันแม้แต่ถ้อยคําที่ประกาศอนัตตลักษณะนั้นพระองค์เอาอนิจังกับทุกขังมาเป็นตัวแสดงเพราะอนัตตนั้นเป็นธรรมชาติที่ปรากฏยากแต่ถ้อยคําที่พูดถึงคําว่าขันธาตุอายตนะนี้ก็บ่งถึงตัวอนัตตาแต่ไม่ใช่อนัตตลักษณะอั้นอนัตตากับ อนัตตาลักษณะคนละอย่างไปนะเมื่อคนละอย่างนั้นถ้าพูดถึงความเป็นรูปนามขันห่าเนี่ยคำพูดเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่ปฏิเสธสกายาติฐิดังนั้นอตาก็คือสกายาิฐินั่นเองเรียกว่าอัตานุทิฐิก็ในสันฐานสูตรบิตกะสันฐานนสูตรนี้นะท่านกล่าวอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่า ของพระโยคาวจรเป็นอกุศลนะพระองค์บอกว่ามีวิธีเปลี่ยนนะให้เป็นกุศลประการที่หนึ่งพระองค์บอกว่าให้เปลี่ยนอารมณ์ซะนะสมมติว่าถ้าเห็นแก้วใบนี้แล้วเกิดโทสะนะให้เปลี่ยนอารมณ์ซะคือแทนที่จะมามาม า, มาดูแก้วนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างอื่นซะ แต่แม้กระ น, นั้นความโกรธยังมีอยู่นะพระองค์ก็บอกว่าถ้ายังถ้ายังไม่หายยังไม่หนะมให้โกรธนะพระค์ให้นอกจากเปลี่ยนแล้วนะให้กลับมาพิจารณาโทษนะโทษของโทสะ น, ะพ น, พนะพิจารณาโทษพิจารณาแล้วพี่ไหนอีกก็ยังโกรธอยู่อีกพระองค์ก็ให้มาพิจารณาเหตุนะครับเหตุว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรนี่นะ พิจารณาแล้วก็ยังไม่โกรธอีกนะก็ยังโกรธอยู่นะพระองค์งก็บอกว่างั้นก็เลิกคิดมันเลยนะครแต่การที่เลิกคิดเนี่ยพระองค์หมายความว่าพระองค์บอกว่าคือเลิกคิดเรื่องนี้เลยนะถ้าหากว่าเป็นพระก็เอาของในย่ามมานับเลยนะให้ลืมอ่ะให้เลิกคิดเรื่องนั้นเลยให้มานับเลยของในย่ามีกี่ชินๆๆช้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นเหมือนอย่างเราอ่ะให้มานับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราโกรธเนี่ยใช่ไหมครับหรือบางแห่งก็บอกว่า ให้เข้าไปหาครัวอาจารย์ใช่ไ<ม>ช่วงนั้นสุขภาพจิตไม่ดีแล้วโลภโทสะโมหะเกิดในการเปลี่ยนอารมณ์ก็คือการเข้าไปหากัลยาณมิตรเข้าไปหาครัวอาจารย์นะไปหาเพื่อนคุยนะแต่ว่ากัลยาณมิตรเนี่ยจะไม่ชวนคุยเดรฉานกถา<ม>จะชวนคุยแต่กรถาวัตถุสิบ<ม>นั่นแหละดังั้นการเปลี่ยนอารมณ์นั้นก็คือการเข้าไปหาครัวอาจารย์นั้นจะช่วยได้ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือว่าเราเราไม่เคยเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ คือข้อสุดท้ายพระองค์ตัดบอกว่าถ้ายังแม้กระ น, นั้นก็ยังเป็นอะกุศลวิตกอยู่แล้วก็พระองค์บอกให้กัดฟันเอาลินดุลเพดานจนอะไรผมนี่ผมไม่เข้าใจน ะ, ะว่าวิธีการของของพยูขาประจรสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านทํายังไงเพื่อที่จะข่มนะฮะข่มด้วยกําลังท่านว่ากันนะข่มด้วยกําลังข่มกิเลนนี้ด้วยกําลังเจนทอนคือ พ, อ, <นะ S 2> อ, พอพูดถึงตรงนี้นะพระองค์ตัดว่า อกุศลวิตตกเนี่ยคือการมิตกพยาบาทวิตตกวิหิงสาวิตกเนี่ยมีโทษมากมายมหาศาลกามวิตกของพระเนี่ยถ้าเป็นพิสูจน์นะสามารถที่จะถึงประราชิกได้หมดเลยทั้งสามตัวเลยเนะทั้งกามวิตกเป็นเหตุให้ได้ถ้ามันแรงถึงที่สุดก็ประราชิกได้พยาบาทวิตกเนี่ยถ้ามันแรงก็ประราชิกได้วิหิงสาวิตกเนี่ยแรงก็ประราชิกได้นะถ้าจะเอาโทษทเสียหายสูงสุดเลยเนะเมื่อมัน มันก็เหมือนกับว่างานนี้จะต้องตายเนี่ยจะทำยังไงอะ่ะใช่ไหมยาถึงจะขมบ้างก็ต้องยอมกินก่อนน่ะใช่เพราะว่าอย่างกามวิตกเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆอัตสังคารทิเศษ จ, จะเป็นไม่ยากเลยนะเป็นง่ายมากนะสังคารทิเศษเนี่ยน้องๆประราชิกเข้าไปแล้วเดีย๋ยวถ้าแรงกว่านั้นอีกประราชิกประราชิกกับเจ็บบ้างเนี่ยเอาอันไหนนะเรายอมเจ็บบ้างดีกว่านะนั่นนะก็เมื่อ คือเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ําตาเคยได้ยินนะว่าการปฏิบัติในการบวชเนี่ยปฏิปทาของการบวชเนี่ยเขาเรียกว่าบางท่านที่อกุศลแรงมากเนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ว่าให้ผลเป็นความสุขเหาือนนธรรมมสมาทานบางอย่างเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขในภายหน้า mm hmm. ก็คือกลุ่มพระเนนที่บวชเข้ามาแล้วอกุศลมันมีกําลัง เมื่ออากุศลมันมีกําลังทําไงก็ต้องต้องสู้อ่ะบางคนเนี่ยมีคล้ายๆกับมีศัตรูเก่าอย่างบวชเข้ามาแล้วเนี่ยคนมาทําความเสียหายให้กับครอบครัวเป็นต้นทีนี้มันเกิดพยาบาทกันขึ้นมามันจะหักกันไปข้างหนึ่งทําไงใช่หมเพราะั้นถ้าหากว่าเกิดตัดสินใจผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องหลุดจากเพศหรือไม่ก็ประราชิกทั้งเพศเลยอันนั้นก็เป็นเหตุได้เพราะฉะนั้นจะต้องหาอุบายหาวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะอากุศลเหล่านั้นมีโทษมากมายมหาศาลนั่นแหละก็แสดงว่านข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อที่ข้อที่ใช้วิธีการรุนแรงหน่อยนะพึงเอาฟันกดฟันเอาลิ้นกดเพดานคมขีบบีบคั้นจิตเหมือนคนที่แข็งแรงกว่าคมขีบบีบคั้นผู้อ่อนกว่าผู้ที่ทาได้อย่างนี้ชื่อว่าชานาญในเรื่องวิตกประสงค์จะคิดอะไรก็ได้ ไม่ประสงค์จะคิดอะไรก็ได้จะทำที่สุดแห่งทุกได้พอผมแสดงถึงตรงนี้ปับ๊บโอ้โหผมถูกตียับเลยงั้นคุณดงชัยก็ต้องไปกัดฟันดุนลิ้นนิ่มันคนละเรื่องเลยนะนะเขบอกว่ า, วาโอ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เราเราต้องไปทำอย่างนั้นเหรือใช่ไหมฮะคธอตรงนี้เราทั้งหลายศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราจะเป็นพระพุทธเจ้ากันเลยไหมอ่าไหม เราคงไม่ไม่ได้นึกขนาดนั้นใช่ไหมคําสอนทุกสูตรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพระองค์เนี่ยแสดงเนี่ยมีเป้าหมายก็เหมือนกับยาเนี่ยไม่ได้ว่าโห้โหมอผลิตมาหรือว่าเขาผลิตยามาเราต้องไปกินทั้งหมดเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันแต่ว่าถามว่าผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมเนี่ยมีโทษไหมไม่มีโทษเมื่อศึกษาแล้วถึงปฏิบัติตามไม่ได้แต่ถ้ามีศรัทธาก็ดีแล้วอนุโมทนาด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะ เป็นกรรมมัศกาตสัทธาสัทธาในคําสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วส่วนเราจะปฏิบัติได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียก mm hmm. ว่าตามกําลังแห่งสติตามกําลังแห่งปัญญาแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปกล่าวในแง่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ดีกับคําสอน mm hmm. อที่กล่าวอย่างนี้นี่นึกถึงข้อความในในอัตถกาณาดีกาสารัตทีปนีวินัยที่กล่าวถึงว่า พระองค์นั้นนิพพานแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ว่าพระธรรมแปดหมื่นี่พันพระธรรมขัคารเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อที่จะตามโอวาทอนุสาสนีอันพระธรรมแต่ละธรรมขัคารเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ในพระธรรมแต่ละธรรมขัคารนั้นพระธรรมนี่คือของที่ดีถ้าเรามีจิตที่ไม่ดีต่อพระธรรมก็มีโทษถ้ามีจิตที่เลื่อมใสก็ไม่มีโทษ อันพระธรรมนั้นถ้าคนไม่ดีก็มีปฏิฆานิมิตได้นะเป็นปฏิฆานิมิตของจิตได้พระพุทธเจ้านี่มีมหาปริศลักษณะดีสมบูรณ์แบบหมดแต่เดรัจฉีก็ไม่ชอบนะนะพระธรรมแต่ละหมวดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตั้งจิตไว้ให้ชอบธรรมว่าธรมมังสารนังข้าฉามินะเราทั้งหลายมีพระธรรมเป็นสาระมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะมีพระธรรมเป็นครูอาจารย์มีพระธรรมเนี่ย เป็นที่นอบน้อมเคารพสการะบูชาเมื่อเรากล่าวถึงพระธรรมแต่ละมวดถึงเรายังไม่เข้าใจอัธยาสัยของพระผู้มีพระภาค<ๆ>ก็ศรัทธาไว้ก่อน<ๆ>ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรถ้าเป็นพระธรรมที่ถูกต้องแล้วนะถ้าเป็นพระธรรมคําสอนที่ถูกต้องศรัทธาไว้เถอะเพราะศรัทธาก็หนึ่งในอริยทรัพย์ถ้ามีศรัทธานะวันนี้ยังใช้ไม่ได้ก็จริงเดี๋ยววันหลังนะของมาเฉพาะส่วนตัวนี่สังเกตเลยมีหลายสูตรไม่ชอบ วันหลังต้องมาชอบเอาเองเพราะมันต้องใช้สูตรนะั้นอ่ะไม่ชอบก็ต้องชอบบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมัยก่อนเลยนะยกตัวอย่า ง, างเช่นอ่านไตรสารณคมเนะ่โอ้รู้แล้วอ่านเมื่อไรพลิกผานทันทีโอ้รู้แล้วสบายแล้วเรื่องกรรมบทเหมือนกันโอ้กล้วยกลยผ่านพอเอาเข้าจริงๆนะบางช่วงมันสงสัยเรื่องกรรมบทเข้าไม่รู้จริงสักอย่างต้องไปนั่งอ่านหมาแกะทุกคำเลยครา น, นี้แกะดีกว่าเก่าอีก อันพระสูตรหลายๆสูตรก็เหมือนกันเอ้ไม่เราไม่น่าจะได้ใช้หรอกสูตรอย่างเนี้คงไม่ได้ใช้มั่งพอนานๆเข้าเอ้มันจะต้องไปเอาสูตรแบบนั้นมาใช้อีกอันในส่วนเหล่านี้ก็เหมือนกันพถ้ารมนั้นเป็นทรัพย์นะสุตะเนี่ยเป็นรัพย์อย่างหนึ่งถ้าเราได้ยินได้ฟังไว้ก่อนไม่แน่เน๋ยอสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลพระน่มบางองค์เนี่ยนะท่านคือเพื่อนพระเนี่ยเยอะมีองค์หนึ่งพิเศษหน่อยองค์นี้ วันวันหนึ่งเนี่ยเกิดอากุศลนี่ตกโลภะมันแรงทํายังไงดีเนาะเดินจองกรมก่อนแล้วอะไรกว่าแล้วอุ้ยมันทุกข์จริงๆเท้าเนี่ยหวดต้นไม้เอาป๊าบใหญ่เข้าไปเนี่ยมันเจ็บเนี่ยมันลืมเึกเรื่องนั้นไปมันเอาขนาดนั้นนะบางทีเนี่ยโทสะมันเกิดไอ้เรียกว่าโลภะมันแรงอากุศลมันเกิดกําลังมากนะเปลี่ยนไปเป็นโทสะก็ยังดีเพราะโลภะเกิดแล้วมันเสียหาย แต่ทีนี้ว่านั้นสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ศึกษาก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าผู้ที่ศึกษานั้นก็จะอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นแต่ว่าพระธรรมคําคสอน 84%,00 มพันธรรมขันคําสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อกําจัดโลภะเป็นไปเพื่อกําจัดโทสะเป็นไปเพื่อกําจัดโมหะถ้ามีข้อมูลไว้เยอะๆนะอันนี้ดีเพราะเป็นซัพย์อย่างหนึ่งโทคนมีทรับเนี่ยไปไหนก็สบายนะแต่ถ้าคนไม่มีทรับเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยทุกแน่ หันสุตะนี่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งจาไว้เลยนะถ้ายิ่งสุตะที่ฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นศิกขานุตริยะด้วยนะนะเป็นเครียกว่าทัศนานุตริยานะแล้วก็สวนานุตริยะการฟังหรือการอ่านก็คือสวนานุตริยะถ้าได้ฟังแล้วศึกษาปฏิบัติตามเป็นศิกขานุตริยะหันแต่ละอย่างเหล่านี้เป็นทรัพย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างหันทัพย์เหล่านี้เป็นเครื่องเปลื้มใจ ที่จะทําให้เรามีความสุขต่อไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าอันในแง่ของพระธรรมนั้นของอามาเนี่ยนึกในใจไว้เลยเอาไว้กราบเถอะไม่วิจารณ์ทุกอย่างไม่รู้ก็บอกไม่รู้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเอาใหม่ไม่เลิกแน่แต่ว่าต้องรู้ให้ได้แต่ไม่ใช่วันนี้บา ง, ว, างวันเนี่ยออพระธรรมสูตรนี้เรายังไม่ใช้ไม่เป็นไรขออ่านไว้ก่อนทีนี้ตอนหลังเนี่ยสูตรไหนที่เราอ่านไม่รู้เรื่องนะกัดฟันอ่าน บางทีนี่ต้องไปทําสมาธิก่อนอจะได้มาอ่านเรื่องนั้นให้มันผ่านไปรอบหนึ่งก็ยังดีทิ้งไว้หลายหลายเดือนเหมือนกันบางทีก็เป็นปีนั่นแหละแล้วกลับมาอ่านใหม่อ่านใหม่ก็ยังไม่ได้งานอีกทิ้งไปอีกปีบางอย่างนะตั้งเจ็ดแปดปีกว่าจะรู้เรื่องนั่นแหละแต่ก็เออด้านหลังก็เอ้ก็พอได้เหมือนกันไหนั่นแหละถ้าไม่เลิกซะก่อนนะแต่นี้ก็ยังติดไว้อีกตั้งหลายเรื่องที่ที่คิดว่าถ้าไม่เลิกก็คงจะรู้แน่นอนแหละนั่นแหละเพราะ พระองค์นั้นมีพระมหาการุณาที่คุณอยู่แล้วพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์สัตว์อันถ้าเรามีศรัทธาที่จะศึกษาคําสอนอันนะก็บอกว่าไม่มีใครสร้างตึกร้อยชั้นเสร็จภายในวันเดียวได้ไม่มีใครเสกวิชาผู้ศาสนาไม่ใช่วิชาเสกอันถ้าเราค่อยๆศึกษาเพิ่มพูนศรัทธาขณะที่ศึกษาขณะที่เรียนรู้ขณะที่ฟังขณะนั้นก็ซับอย่างหนึ่งและกุศลจิต ก, ก็เกิดขึ้นกุศลจิต ก, ก็เกิดขึ้ น, ก, ก, ก, น ก, ก็ได้ซับอันนั้นไป ถ้าถ้าเราอ่านให้ละเอียดนะคะจะเห็นว่าเพื่อแต่ละข้อเนี่ยเพื่อให้อกุศลเบาบางแล้วเพื่อน้อมไปที่วิปัสสนาใช่ไหมคะ เ, ออเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเลยพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระนันท h พระนันท h นั้นเป็นพระที่ไม่มีศรัทธาเลยบวชเนี่ยตอนต้นเลยเนี่ยนะคือวันบันแต่งงานใช่ไหมมีงานแต่งงานงานวันฉลองเรือนก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉัน แล้วก็แต่งงานจัดพิธีแต่งงานเบ็ดเสร็จหมดทีนี้พอชันเสร็จพระองค์ได้ยื่นบาดให้พระนันทะนัน tha บาดพระนัน tha ก็ต้องรับสิรับทําไงได้อะก็อุ้มตามไปส่งพระพุทธเจ้าถึงหน้าประตูพระองค์น่าจะรับคืนไม่รับถึงประตูล่างน่าจะรับไม่รับไปถึงประตูเมืองน่าจะรับไม่รับสนามหลวงน่าจะรับไม่รับไปถึงวัดเลยไปถึงวัดเนี่ยพระองค์บอกว่านัน tha บวชหรือไม่บวชไหม ไอจะบอกปฏิเสธก็ไม่ได้ออ ก, กลัวพระพุทธเจ้ายิ่งกว่ากลัวอะไรอีกนะบวชพระเจ้าข่าบวชพอบวชแล้วบวชไม่นานพระองค์ก็พาไปอีกเมืองหนึ่งนะไอทีนี้ไอก่อนที่ลงปราสาทนะเขาแต่งงานกับนางชนบทกาลยานีเนี่ยพระลูกเจ้าเรีบกลับมานะเรียบกลับมานะนึกถึงแต่คํานั้นแหละมาไหนบวชแล้วมาไหนทําอะไรรักใจเดินปว่วนเปลี่ยนนี่คิดถึงแต่คํานั้นแหละบวชไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเอ้ยก็ มีความในใจก็มีเพื่อนในคนก็จะเล่าความในใจให้เพื่อนฟังผมเนี่ยคงบวชอยู่ได้ไม่นานแล้วก็วผมจะสึกแล้วทาไมอะ่ะคิดถึงคนที่บ้านเลยดิก็อยู่อย่างเนี้ยข่าวเนี่ยได้ถึงพระพุทธเจ้าองค์ก็รับสั่งหาพนันทาก็ไปบอกนันทอ่อได้ข่าวว่าเธออยากจะศึกจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าทําไมจึงอยากสึกก็บอกก็นึกถึงนางชนบทกาลยานีอ่ะที่ ที่ช่วงที่ลงจากปร า, าสาทเนี่ยสยายผมเนี่ยครึ่งหนึ่งน้ำตาเนี่ยไหลเรียกว่าพระลูกเจ้ารีบกลับมานะนึกถึงนางก็เหตุอันนี้แหละทำให้อยากอยากสึกมากเลย ه, ก่อนน้นท้าไปดาวดึงไหมบอกว่าถ้ามีคนพาไปก็จะไปแหละพระเจ้าข่าวมาคผมก็ไปผมก็จับแขนไปนี้จับแขนไปก็ไปถึงพระอินทร์ก็มาเฝ้า เท้าสากานี่มาเฝ้าเท้าสาก่ามาเฝ้าก็มีนางฟ้านี่นะเทพธิดานี่มาห้าร้อยมาเฝ้าเทาพธิดานี่เขาบอกว่าเป็นเทพธิดาที่มีเท้างามมากสีเหมือนนกพิราบเหมือนเท้าเนี่ยนะก็บอกว่าอา น, นิสงส์ที่ถวายน้ํามันทาเ ท, ท, ท้าพระนันธาเนี่ยมองเห็นเนี่ยโหตะลึงเลยหนักกะเกาอก <laughs> บอกว่าทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่านผ่านก่อนที่จะไปถึงดาวดึงเนี่ย มันมีพระองค์เนี่ยเนระมิตรให้มีภาพเป็นไฟไหม้ที่มีไฟไหม้แล้วก็มีนางนา ง, ล, งลิงตัวหนึ่งเรียกลิงหลุนห อ, อะไรเนี่ยเขาก็คือมีจมูกด้วนมีหูด้วนมีหางกุดอะยอะหน่าอยู่บนตอไม้ซึ่งไฟไหม้รอบหมดอะกันหน้าเกลียดแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามดูก่อนนันทะเห็นนางฟ้าและคิดยังไงคิดถึงที่ททบ้านที่บ้านหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อบอกว่าก็ที่บ้านก็เหมือนกันนางลิงหลุนนั่นแหละปะั้นก็บอกว่านันทะ เธออยากได้ไหมห้าร้อยเนี่ยอยากได้พระเจ้าค่ะพราะองค์รับรองอะ่ะว่าถ้าเธอบวชยินดีในศามนาธรรมนะรับรองว่าต้องได้แน่นอนห้าร้อยเนี่ ย, นอนยโอทีนี้กลับมานี่ไม่อยากศึกเลยอะ่ะบวชใหญ่เลยมีศรัทธารทพระพุทธพรหมจรรย์นหน้าดูทีนี้พระ อ, องค์ก็บอกพระ อ, องค์อื่นบอกพระ อ, องค์อื่นๆว่าถ้าหากบอกว่านันท์าเนี่ยเป็นลูกจ้างนะรับจ้างบวชก็ว่างั้น พระพุทธเจ้าเป็นนายจ้างะนะทีนี้มานะกษัตริย์มันก็เกิดอะตอนหลังมานะกษัตริย์เกิดเข้าก็ท่านก็ฝึกสติเลยนะถ้าจะเลี้ยวทางเลี้ยวไปทางหน้าปั๊บเนี่ยนะท่านประโยชน์เลยสาธากาสัมปชัญญะเข้ามาทันทีว่าประโยชน์คืออะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทิศทุกทิศเลยนะท่านนั้นท่าเนี่ยเป็นเอตทะคะด้านสติสัมปชัญญะเลยนั่นแหละท่านฝึกแล้วไม่นานท่านก็เป็นพระอรหรันต์นั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ สแสดงนางฟ้าก่อนใช่ไห ม, ไมถามว่ากอดโลภะเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนคนรักเท่านั้นเองใช่ไหมกอดรักเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ไม่ใช่มนุษย์ไปรักเทพมันก็บวชได้นานอีกนิดหนึ่งไงมเสร็จแล้วก็มาเจริญนิัสานาเข้าก็พ้นทุกข์ได้เขาอุปมาเหมือนกับหมอผู้ฉลาดอนะหมอผู้ฉลาดคนที้มีโรคเยอะถามว่าก็เหมือนกับยายาแก้ไอส่วนใหญ่ทําไมเขาใส่น้ำเชื่อมไปด้วย จะได้กินง่ายๆเข้าไปทําไมจึงใส่แคปซูลน่ะอันคําสอนของพระผู้มีพระภาคบางอย่างก็ลักษณะนั้นเหมือนกันอั้นคําสอนถ้าเราเข้าใจอุบายทุกๆอุบายอย่าลืมว่าคําสอนทั้งหมดเพื่อเพื่ออะไรคําพระพุทธพจน์ทั้งหมดมีรสเดียวคือวิมุตติรสนะเพราะฉะนั้นคําสอนทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าถ้าใช้เฉพาะอันเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่หายนะเพราะจะต้องมีองค์ประกอบใช่ไหม การบรรลุธรรมนั้นจะต้องอาศัยอะไรอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ต้องประชุมแล้วนะจึงจะตรัสรู้ธรรมได้ถ้าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ไม่ประชุมกันอย่างไรก็ไม่บรรลุปัญญาโดดโดดก็ไม่บรรลุวิตกโดดโดดก็ไม่บรรลุวาจาโดดโดก็ไม่บรรลุกรมมันตะโดดโดดอาชีวะโดดโดดสมาธิโดดโดดก็ไม่บรรลุแต่พระองค์แสดงการประชุมพร้อมของอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 หรือพ่อชงนั้นต้องมีองค์เจ็ดจึงจับบรรลุได้ถ้าไม่ครบองค์ยังไงก็ไม่ได้ตรัสรู้ธรรแต่อย่าลืมว่าพระ อ, องค์นี่เป็นผู้ที่รู้อัธยาศัยว่าเขาขาดเรื่องอะไรอยู่พระ อ, องค์ก็จะแสดงธรรมเน้นในเรื่องนั้นๆถ้าผู้ที่อ่านสังยุตนิกายจะเห็นว่าคนที่สติอ่อนพระ อ, องค์จะแสดงสติปฐานสั่งยุติเนี่นะโดยนิยต่างๆเพื่อส่งเสริมสติ บ, บางคนเนี่ยภาละอ่อนเรียกว่า พละอ่อนพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อส่งเสริมพละอินทรีย์อ่อนพระองค์ก็จะแสดงเรื่องอินทรีย์ถ้าเรื่องคนนี้มีอัธยาสัยเรื่องมัทพระองค์จะแสดงเรื่องมัทแล้วแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยแต่ละสูตรบ้างสูตรแสดงแต่สัมมประธานอย่างเดียวเน้นวิริยะอย่างเดียวบางสูตรเน้นสติอย่างเดียวบางสูตรเน้นฌานอย่างเดียวบางสูตรเน้นปัญญาอย่างเดียวทําไมจึงเป็นอย่างนั้นพระองค์นี่รู้อัธยาศัยแต่อย่างไรก็ตามการตรัสรู้ธรรมนะ อินทรีห้าต้องประชุมพระละหต้องประชุมโพธชงเจ็ต้องประชุมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็ต้องประชุมจึงจะตรัสรู้ธรรมได้อันพระธรรมคำสอนก็อย่าลืมเพื่อรถเดียวเท่านั้นเอง